พระปเกเกงสั่งที่สองพระรหันต์ตาคีน้าทบเกง่งเก่งสั่งที่สามพะขีหน้ า, นาทบธรรมดาเก่งสั่งที่สี่พรคอานาคามีเก่งสั่งที่ห้าพระจักรท่าค่ามีเก่งสั่งที่หกพรโซดาวันเก่งขันสั่งที่เจ็ด มู่แท่ห้าเก่งสั้งที่แปกเก่งทั้งกินทั้งขี่ทั้งนัง่งทั้งนอนเก่งทั้งกเลเลดหลายพระพุทธเจ้ามหาพัฒนาสัตว์ที่หนึ่งพระพเจกสัตว์ที่สองท่านต่างชี้หน้าสพต่งเปดหิงเพจชายสันว์ที่สาม สถาน า, าธรรมดาซุปช็อกโก้ยปัสโกสันติซีข<ม>้าหน้าข้ามีสันทิาหาพระ<ม>้ากรท่าขามีสันทิโฮพระอสละบานสันทิเก็คือเก า, าลัดอาหันพัฒนาเต็มพู่มแลวม้วในพัฒนาอีกเฮ้ยเก่งกว่าในกระกทงเที่ยวยในวัดตาทงสารเนี่ย่ะไปเที่ยวเก่งกา่าใก เที่ยวน่โลกธาตุนี่แ่ะอมน้อนพ่นออกไปแล้วมูหข้าสลามผลมะเกลแก้เก็บตายอยู่พระอารยาเจ้าผู้สลามผลมากๆมเข้าวมียหลับมีรสมีเสน่สมีสุขมีบริษัทบริวารทางข้านนี่ยทะเลเกิดทะเลแจ้าทะเลเก็บทะเลตายพระองค์เจ้ามีบริษัทบริวารผออกนอกโลกคน มือห้ามันวยกินลวยขี่้วยนางลวยน้อนลวยชิดทีมานะ้วยกิเลสตันหาพระอาตีเจ้าคนลวยก็มีกิเลสมันลวดไปคนลนแนลทั้งคนทุกขก็สีมาจกตากันอย่นี้แหละมูอห่อปฏิบัติทั้งคนทุกข์ท่านทุกค์กนทั้โตัทั้งเปลือกยสือได้มาเที่ยวกบจกตากันนี่แหมาตาสงสารมือห ไม่แยกินแยงขีกันด้วนี่จะอยู่ยน้ำมานเ น, นี่ยอยู่น้ำร็อคผู้หมันบออยากกมงมูแจะหานีิปัญญัติกงมูมูเฮ่อเนี่ยคือไก่แท้ไก่สมัยตะกี้ผู้บ่าอาจารย์ก็อันได้รถลูกสมอแลนลาย ล, ายลาย่ต้องหน้อยกับงอกข้อขึ้นหน่อยต้องร้ายก็งอกข้อขึ้นร้าย มัคือมูฮั่าตะกี้มู่นตะกี้บันจะเป็นอย่างมูเสมอเนี่ยมูเสมอนี่ยว่าจ้าคู่บาอาจารต้องได้หลัปั้นมูฮั่งูสาออโอ้ยขน่อยก็บาได้พี่แกน้าบาได้ยินจเถื่อังไงสียเกียบเลยล่ะเสียงูเลยล่ะคือบาได้พี่แกน้าบาหนีก็ดายฆ่ากระตายช่วยใคก็ได้หรอมาได้ยินจ๊เทื่อ นี่ต่อยกเขายกแขงยกขาทั้งนั้นอย่าม้วแหววเป็นสั้นๆทางโม่ฮอตตะ ก, กี้นี่โม่ฮอตตะ ก, กี้มันเป็นทั้งขี้แลอยู่กับครูบาอาจารย์เพคนโอ้ยขวนวน้อยเนีเขาใจไปยังสั่นมันจะพิสระตี๋ท่นานน้อยยังสั่นนสั่นนี่ต้ออกไปเองสั่นเพราเขาใจไปยังสั่นเขาใจไปนานเดียวนึง เ, เพราะ่าเมเข้าใจไปแล้วหนาคือพอมีครูบาอาจารย์นี่ สิพแิแล้วเมื่อไม่เป็นเรงสัน่นมิจะออกไปเังสัน่นมูจเข้าหนอวมาจะพูดบ่มมาอาการต้องแน่เราลูกสมอแลนหลายหลายดมี้ดจะสิสูทั้งหนัทั้งศอบทั้งเขา่าที่บอกเรื่องแรงแโอ้ยเข้าใจไปเังสั่นคหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องสัน่น เอาใจไปยังสี่คนละมันความันจะเป็นยังสี่ได้ยินงยักเทือยยากได้ยินอยู่ได้ยินงจางตะกีิถุทะมัดสัดทธาเอาก็ได้มันจางลายขอมรดชัดทธาเนีย่ยมีเทเลียมไดโนอ่อย่างสิสษะโรลดัวเดียว สมมติาพอกกอกกอกแซงสิครับเดี๋ยวขักก่อนเหรอให้บอกองค์สัตวเราโลดว่ารดตีซูโหลดเท่าไหสมอลนหลายหลายหอ้ยดอนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นสลักกันห่อยดอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วบ่ได้ยินกักเถอะไม่ได้ยินว่าโดน่างถ้าโตโยกับหลวงปู่คนนี้ยินเลยเ้ยมันเป็นยังไ ก็ข้นอยอย่แล้วมันพิดนะข้อน้อยเขาจพิดไปชั้นชั้นตัวหลวงปู่มหาพ่าออกพ่อปฏิบัตินะมือเขาถ้าเลยแล้วตาพ่อตาแล้ว ก, าาวก็คิวกับพ่อคิวเสียสูอิรนสีเอาแพ่เอานะเอ า, าเ อ, าอี ตองบะไรวันตองหาตตองค่อยกับฟูค่อยต้องแห้งกับฟูแห้งอา่ลดน้ำรายฟงผัดพว้อมมโลกไม่ตู้งี่เง่าใคนแย่ใครแด่แต่เน่าไว้ขันเน่าไรกับผัติเสียขันเนี่ย คิดที่จะเ่าอ่ะท่ผู้เห่าก็จะเป็นบ้าเพอผู้เห่าผู้ถึอเห่าก็จเป็นบ้าพระถึอเห่าอัีต้อตได้เอาและได้ท่าความเาไหม่คนละมุส่งให้ตัวกี้คนเรอยังก็ย่องให้คน แมนูแมนจะยอม่านเจ้าก่อนคอยจะสร้างคนแค่ห้องนี้ไปลยแล้วนึงแล้วทานาดเนี่ยดีพอดีพกกปกัด ต, ตอกปากเจ้า ก, ก็ไ น, นที่ระส่งของว่าบุญท่นบอกเเห็นบอกเขาตีปากท่าเป็นอันนี้กูเชื่าอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ตัวกูเชื่ ที่เห็นคาอาจารย์เป็นโอ้ยอีฝอยเมียมาสัน่นฝอยมาเป็นหัวหน่าหัวบ่าซ้ำนี่ทะยานกว่านี้นเจ้าสืบพุทธศาสานามาพอแห้งแล้ว่าสัน่นตัวขาเข้ามาเป็นหัวหน่าหัวบ่ามืาอทะยานทั้งกว่านี้คี่เห็นพระเมียครูบาอาจารย์พวกคนสืบพุทธศาสานามาทั้งมือห่อมันก็พอแห้งแล้วอ่นเนาะ คอามอเคือกเออแค่จีว่าเพิ่นว่าให้เพิ่นเออสูส้สะกอนสู้เทียนเราลูกเลยมาสักวา็นควมน ด, ดีอันนี่เออแค่จิตีแค่เพิ่น้าเพิ่นจมจิงหิ่งอาเพิ่นจมจงหอสารพัดบอกว่าถือ ก, การว่าถือเลวล้ามาักทำีแทกกีเล็บตัว้ายผนมาบอก พระ้าตุก็ตายไปแล้วนะขึ้นด้ำหลังเราแมก่ก็เพลิน ม, มืดอาโอดพอเงนนะผู้บาอาจารย์ขึ้นกันได้ยูอนเพลินพันหายมาจากลงองพร้าตุว่าเป็นหัวหนา่าหัวบาตใหญโตแล้วโอ้ยที่มันคิดเห็นคำสอนเพลินพระพุทธเจ้ากัวสิ ประเทศบัตรเอาบานเอาเมื่อเอาพีเอานอานนนกว่าได้ปันเองคำบ่าได้ยุ่งเพื่นบริยูอีพ อ, เอยเมยเยอเไอแท่นที่ว่าที่ทอรเฮิรดอา ก, กาศเป็นเมื่อคุุิน่าล่าเข้าไปย่างไปโดยสีเท่าสัตเทพรเนจอดไปถังงลงพโลหิตลงพโลหิตกับอย่าง้ก็อาจเจียนเป็นเลือดเนี่ย มันมงหวนได้ชนท่ากม่านมุดแล้วก็ซัดเทพพเนจจอดไปท่านที่ที่หัวเฮิรดเดยโเดิกาดไปกับพวกใ่ไปได้หรอมันชิบะไรโพดรัดไปทำท่าเ้านี้ไปขี่รถเบน พลังพลดัง่เงียบพึ่เงียบพึ่เงียบคนแล้วขู่วู่้รุ่นเนี่ยถ้าหลับซู้นี่ยจะ้ว่าออกแมสถ้าหลับูก็่าอเพราะว่ามันคือบังหลวงพ่อองค์เจ้าเทียบก็เข้าบอกโอ้ยมันไกลกันลายกันนอนสองจุดน้ำมือจองน้ำผาไกกระโดดข้าวมือู่่เห็น เขาเห็นไทยพระ อ, องค์เจ้าเขางามกรนีงามระคุตติพิหารเท่านี่พระสัาาตรุ่งเคิองบังเคิงกับวันนั้นความสวยความงามพัะใจซีไระศิรุลา์บันพระ อ, องค์เจ้าพระศิรุฬาบัญศาสาตรสนัพุทธข้าแสดงเงี้ยมกปฏิหารนั่กับก่อผาเพียงแอลเนี่ข้าวสังหน้าราชซิลิ่ง มาข้าวนณะก็สร้างเขามาทา่าไทยพระองค์เจ้าความพาเรื่งเอวนี่พระองค์เจ้าขณะสาสงตอนนั้นพระองค์เจ้าตัดออกตัดออกตัดอดอกบัญชีตายแท่นที่ว่าสิทธิประยุน์กุฏิมุ่งเรื่มบังเรื่อมผลพาทเท่าพาพมุมเขาเกามาให้เสร็จพระองค์เจ้าออก นอกสาวว่าให้ลูกคููจามผูู้มาอ้ายอันผาเร็จเท่ามันเคยจบแท้เมื่อพรเอาไหว้บอกว่าใช่นูกสาวคนมันไม่จบว่าใช่คนว่าขังพระเจ้าพาพุ่มก็เอาให้เช็ดว่าใช่อาหารข้าวว่าใช่อาหาข้าวกับผาชิลล์ยุว่าใช่ก็บด้ว่าเช็จแต่ผาปุ่มหน่ออันนี้ก็ว่า อันนี้ก็จะง อ, อว่าหาะข้าวปันไหมนั่นกุณถวะผ่านราคามาโวยเฮาด้ทบเคืองมันเป็นสีสันผ่านสองสัตว์ผ่านาคาสองสัตอันหนามอเอาบาปไปตั้งหน้าไว้เฮาเากิียนเฮาโงเจาะเฮาหิวเฮากะหายนักเพระะนั กาปมีบ่บอตากระบรญญตัตแล้วก็จริงเดี๋ยวพระองค์เจา้าเดินทาไปว่ากุฏินาร่านไปย่างเ็กเดียวที่สุดบเบ่อออย่างไปนํางคือที่ถิมเนี่ยกักุฏิวิหารถิมอยู่ยกับวัดหนักวัดนี่อันองสีใส่พาปูนอดแกยังบ่ออกไปนึง่งเพรานบรรยัตแล้วพอปูนอดยังให้ปูพาทั้งค่ายีซีสันนลงให้เป็นซีสันอาบาดไปตั้งน้ำอยู่กากรบรรยัแล้วขัดโชคกรบรรัญญตแล้ว ถ้าปูน้อนกับมันญันอะถามันบอเอาไปน้ำง้อไปทังไรถกหน้าถกหลังเลยฝันว่าถึงสร้างามันขึ้ น, นบังอันนี้หลโอ้ขึ้นหน้าจากอายจากของนี่บันมากเอามหมข้างสองตน้นเป็นโรคพยาบาล ต้นนั้นแกยืทั้งตีต้นน้นยงหัวมันโคงห่อสะกันอ่ะโคงห่อสะกันไม่ออกดอกออกผลออกดอกไม่ยามมาใส่ฤดูการไม่สาร ะ, ะสาระไม่หัางพัชนาคไม่ขอ้อไม่สาระไม่นางรังไม่ใช่สาระไม่สร ะ, ะสาระไม่หัางพัชนางไม่ขอ้อ มาดีไหมมันอยู่ประโยคหาอยู่บทประโยคฮกบอกถามเขาจะบอกถามอมาหาเมืองประโยคห า, า, ป, ราประโยคฮกมารีเสียงมุนเอาหน้าห้างทั้งภูสอเป็นโรงพยาบาลบุ่มขาวเด็เขาโรงพยาบาลเปาโลดแล้วผู้ดังเพียงเงียบเ้เงียบเมื่อขู่ก็ถือสูกูไปขนมสมกวดเตอร์ท บินทบาทบวชว่าไม่ไมบินทบาทนี่กุ้งเราจะขนากษัตริย์ศาสกษัตริย์จะที่ยมีปนเขากระเทยใสเขาบดชห่อใสทุกอย่างยังข้านี่ดอกนี่แจงเขากระเทยใสเอกหรือ คือหากม้นี่พระองค์เจ้ามาพิจารณาเออวัฒน์ก็บพอดีกันแล้วว่านแตะควนเพื่อสำหรับกับเขาเงื่อนท่อถ้าสําหรับกับเงื่อนกับทอ่อเดี๋ยามาม่ามีนิดเดียว น, วนี่เดียวจออกบวช แ, แล้ว อ, ตวตอใใืตัวของผลกิน่นตัวสีสได้พาชนะท่องขํามาไท้ใสตัวก็กินตัวสิรปอดสัดเนี่ยวันตาสงสารบอกวัฒน์ไหวกับ ข, ของ โศกโศเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโศจมว่าบวชกกินเท่ะแม้แ่วัดสนมันนึกว่อังสันอะไที่แหลมก็คือหากมาในกินโมลกโธเจ้านึกว่าสันน่ะนำตาไรสุดสดสันทันเยาวันสันข่าวสันข่าวล้วโอซ่ารถไปทัวคุณคนของผมไปทัวเดียวเปียวกายาไม่จักเท่าไรปี จังคอยได้พระมาอุปถ า, าเขาเนี่พราะท่านบวชหาโยมอุปถาไว้แล้วพระแม่คำเพราะคำไว้แล้วออคือดได้มาได้แม่คำพระคำนี่ยโยมอุปาถาแต่พวกนั้นมีปัญญาเกง่งมีวัฒนาลายสตัวเออมูห้อมันจบัดจูฮกปีพวอกอเจ้า ข, ข้านไปกินข้านไปกินขี่น้งเงิอนอ้อยทุกกะเีริยาโพงคาดข้าไปกินอุจจาระไปกินโคไม่โคไม่ก็ขี่อร่อยเลหรือว่ามันถืเป็นทา่าทัศนูทั้งสีเฮ็ดแถมมันเหนือพวกพอ่ะพราะที่ยื่นค้นมากสิมเวงขปาปลาบัไปลกลขคนแบบนั้นกเ็เฮ็ดโพงเก่า บ่อมว่อยพอก้อนเลยแต่ว่าไอนวอม่็นท่งตัดสรุปยังตอมาขมว่าอ้ดเข่าอะไรโอ้ดเข่าโอดหน่โนคุนคุ้นคุ้นรนแต่ว่ามันท่าตัดสรุปเอาไงอ่กลินอยู่สมือก็ไม่ได้อ้ดพอคุมคุมผมคุ้มคุมคุ้มมคุ้มคุ้มคสิรนอกอันน่าอดก็ได้ควาที่เพือนอ่นี่ะ เพร่อนมันอวดีนั่นเพื่อนมันชนะพวกนั้นขัมันเวนทางตัดสลูขับมันด้ตัดสลูขันบาเพ็ทางตัดสลูนั่นาเราตัดสลูมาเข้ากับเด้เทศให้เขาง่ายเพราะเลี้ยวนี่เข้าได้เหตแล้วเจ๊งโกมุโตูหรืกเขมตโตไปมื่แล้วมันบเพ็ญทางตัดสลูก็ด้เทศให้เขาฟมัอนกับมีประโยชน์ที่พวกเจาเหตุนั่นสั่งกเลยพวกนั้นมาสั้นขันแคงทั้งทุกข์ากิริยาได้นอนขวางนอน้ํามนี่องเห็ุเห็นเหือเขาไปซะ เวลาทัพสรดุ้แล้วมันถิประเทศเราพวกนั้นมันมันถึมัข้องมันถิไปว่ไหนมันถึงมัมัแทรกวารสารทิ้งทุกาการีร์ยาในห้องในเฮดดีแล้วเกงก็มัวโตแล้วเห้า่เดี๋ยรับกระทบกระเทือนบ่ะทอพระองค์เจ้าดอพระองค์เจ้าด้าาดยรับกระทบกระเทือนก้มูวเฮา คนยังเทศอยู่ช่วยทั้งร้ายมาสัู่๊ซุ่เจ้าบ้านอกไรขอทอดเทื่อนทอข้าดอกมาสั่เขาในี่ะไปบินทบาตเขาก็ว่าคนหัวโล้นคนจังไรคนหัวโล้นคนจังไรจ้างวันนี้่ะเขาก็วาให้เข้ามาสั่เขาเอาข่าวมาใส่เข้า่ะเขาบุยปากนี้มาสั่ไปวันอื่นมาสั่ง เขาเ้ากลุ่มดีว่าศาสนามันยังั้ทนันเป็นไปเอว่าเอาซะก้นอนองศ์ทุนทุกข์เขาเธนเอาทานควมนาควมปล่อยเขาสารพัดอะคนสมยัยตะกี้ถือว่าคนหัวหล่นเป็นคนจันไร้เนีย่ยไปวันไหนเขาว่าคนหัวหล่นเป็นคนจันไร่คนฉีขว áng ทนฉีเสนงเหมืนันพวกู้ไทยเขาทุนฉีเสนง ว่าไงครับวุกชะกันปะนั่นเนาะไปทานไหนเขากับตีไหวตีนบอยู่อย่างต่ำที่สุดเขาก็เอาเขามาให้ว่าไซรัสรับไซร์หน่อยใสซแก่ร่งข้ามกับมี่ก็ยังดวีว่าว่เขาปล่อยเขาจมั่ะซ่งไปใครอนุ ญ, ญาตให้ไปวินเทบลาได้ ถ้าเขาจะหายไม่าหาก็วา่าลบเลือเพื่อไลถ้าเข า, วาเอว่าลบเลื่อเพื่อก็จะปฏิวัดพ้นทุกข์ได้เยอะเสนนศาสนารอำฟ้างก็ดีทาก็ดีคู่หากดทดไม่ยั่งคู่หาก็าดีเงื่อนหินก็ดีไม่ได้ไออกค้นหาแล้ว จะว่าจำษาในงาหินบ่ได้ตงนี้บวนบาลมักตูพิบเปิดเขาออกพจะตองมาตามยังกระซ่าเรต้องเสีเหตว่ามีบวชบาลมักตูพิบเปิดเขาออกผมใหม่แอแหลกกะพ่อจะพ้นทุกได้ยูสวนย่างฝนไยูบ่ได้พระศาสมุ่งเรืองบางเรืองก็มีบัญญัติไรสวนน้าทั้งนี้ทั้งซัวว่มันบัญญัติจะกวนนใหม่เนยเดียว ว่ามันสบัญญัติเต็มๆรองสร้างืันเดียวว่มันสิบัญญัติเต็มๆตูบบใหม่วันเดียวพระาสุ่งเครื ง, งบางเครืองภระศาสตร์สองสันกับบัญญัติบุญดาข่านฟ้ามห า, าวันหนึ่งกับสองสังนสลากว่าที่พระเจตาพนทุกได้อยู่นะตังจรบัตห้าสิตายเลแค่หักละ วายูปวดประจายหอบพางแล้วพระเจ้าองค์แดกๆก็ขึ้นสั่จอดเป็นทั้งสั่ส่องลงไปนพิพานอยู่บนห้องใหม่พราอหันสาวของเพล่กับผู้วันนิพานนพิพานอยู่ห้องใหม่กับไม่รลายโยกระสารีว่าเกิดยุหองประสูตรแม่์พาะบกขล่ากักายและศีล่าทางพูกเขาคิดจะกูด พ, าาพระนนพาระหาระหุลกับปัญญิพานดาววดึงพระอร้นกับปัญญิพานเนรวางตะเค็บกุ้งเทวตาหะกับกุ้งกบินละผัเพ่ อ, อยาดพี่น่องสิหยาเพาอพี่นองทั้งสองายพี่น่องทั้งพ่ อ, พอทั้งแม่สิญยาดกั น, นดู ก, กันยุก่กันแล้ไปยุบนเคิงไปเจ้าเลยยาดกันพครระเฟืองมาสินก็เลื เพราะเกิดว น, นทึอธิษฐานให้ทองแตกเป็องสองเฟียงนิพานกลางมือพที่หน่องชุบรยถากันชุบรโรคกันอนธิษฐานอ่องทองแตกสองเฟืองเื่องตกกลุมก บ, บินรพัดเื่องหนึ่งตกเทวทหะ น, นราหุน่นเปิดนิพานดากรงดึ ง, งนิพพานขันยะตอนนี้นิพพานอยู่มาสักทาน ประเทศสร้างผฝังผู้เผาผมีหาดนุ่มตุบมะม่าแล้ากลายเป็นผ่าชิกขูิเก๋กลายเป็นเนียนชิกูิกเก๋เมื่อเท่าโตเท่าเงิน เอมวหามาเฟื่ขึ้นอัตนาโจทยัตาเนีเตือนตนด้วยตนเองเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อื่นเตือนกันโก้เขาเกียดหลายม่จะกูอ่ัวว่ประมาทก็หอว เวลานะมองหาเรเห็นแล้วซีวิทย์ยักยูสุสิโย ป, ปะจจกะวลนาที่โกชัญญามาลัดังสุเวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้ห้าเ่นเนนัมจุนาเววังวิหานามาตาปิงอัพโหระตามตันที่ตังตังเวพระเทกรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติ การท่าอมเพียนเผาเกลียดภาพทามันนี่ดีกว่ามือมืออื่นไลยนให้สรุปขอมตายว่ามาในวันพุงนี่ไม่เพิ่ได้ต่อต้านในรวยหมดแล้วรวยสับหมู่คนผู้ทำาคอมเพียนเผาเกลียดแล้มีกระเว้นขึ้นตามสถิติกาลังของตนเนื่ยพูกนั้นบ็นคนราตีเงี้าวบ็งคนราตีสับ เห็นวันขึ้นลวงปง่ยงายนะาเรากพิใกล้พราเนรพลในแทล์แล้วโอ้ไปใช้ก็มาถือตะกิยเกลียดผู้เอานะฟั่งไปใช้ก็มาถือต่เกิยเกลียดผู้ฟั่งคือนเขานะมันมอนผลจากเลียดแค่กับแกิ เ, เททกลียดพีกันนะฟัง ก, ฟงก็ฟั่งกิีลดพี่กัน พระพุทธเจ้าบริเตศกิเลศของกิเลศพนโมมีผู้ั่งของเพลินกับมีจัพรหันมีจัพรสวดาบันจัะทาค้ามีอนาจ้ามีปส่วนมากทันคือสรมเนีเพินส่วนปุตตสุนก้อนหาก็มีเพื่อนหลังเป็นส่วนน้อยมีจัพรอาดเจ้าว่ากันในวันเนาะมันกับ่มมีแนีเถียงกันทั้งในแล้วนับจัพรสวดาบันขึ้นไปกับ่มมี่มันสเถียงพองค์เจ้า คุณส้นข้นหน้าเขาเราแล้วยื น, นจะข้อดาตัวจียเขาหนอดาดขา้อ ด, ดาแล้วจะวัดเจามาข้ดาข้ดห้ใจมาให้สีแม่เพราะว่าแต่ผู้ใดข้อดาค่อยๆม้าหน่อยสีแม่มันเพราะว่าผู้ใดมาดาใ้แห ง, งม้าแดงสีแม่มันเพราะว่าเรือ่องเบาลัดแบบวดาลี้ยวตัวที่เจ้าฟอม ขาลังบากมันเอมื่อง้มน้พระแลบดินม่าออกว่าสั่นเมื่แลบมันรู้ว่าสั่นกัมันออกว่าสั่นแลบกระลาออกมาเมื่อมันหักล้ำไปถึงมัดห่อ ตายเนื้อนกกองฟ้อนมัดจุ่นทุ่นจุ่นแหละยนนี้ขนาดว่าตายเนือนกองฟ้อนในย่างนี้ได้สดด่งอีเด้จัดที่ถือแบบเด๋วุ้นเนื้อนกองฟ้อนมีผู้เผาหาไปช่อนที่หนึ่งได้บางข้าวโมเนื้อมีผู้เผาได้เหา่าโมเนืนอนสมมุติเราเข้าไปในห้อในแฝงไอ้ส เพื่อลงเพื่อจบสักตาไครซะพุนซบไหลลงทะเลสาบผุนให้จะไปเห็นเรือผีผุนหรือไปดอื่นๆผุนถ้าเชียบกับสบผ้าขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องเวนมุนม่นชกสิต๊กใส่บุตอหนัหาสมุตทะเลที่ไหลก็บมลู อันตายในน่อกองฟ้อนไม่ผูเ้เผาหยมันบุญบุญหลายเฉลี่อดีพอดีเพาะได้เผาหมดตายยุ้ยพูดเลยนี่มันจะเผากะครับเลยให้ไปฝังมันบวชทวง ม, มันเ <c oughs> <c oughs> นี้ยตายแล้ว <c oughs> แต่ไปแล้วพระเท็ดกายองผู้ใดแม้นที่ดรอกอันนั้น ให้ทำเป็นหนาที่ที่เกิดไรขึ้นก่อนเกิดมาหัานใจหัวมือดังหางกระดูเกิดว่าหัานใจหัวมูอดังเซ น, นเอน็นหัวมูอดังหนังหนังหุ่มอยู่นี่อหัวมือดังล่ำใส หยาดไทยนี่ที่เวียดขดทบไปทบมาไม่ได้สะกดร่กายเลยของเกลือของเหาคขังกันนะฮะคือใส่กอกใส่กอกขยั้งว่าปิ่งกินแทะอันนี้เหม็นอยู่นั่นเองเราเอือบเกลือใส่กอกอันนี้เพื่อจะเอือบเกลือนะ่ะ เนี่น้ำใสคนลงโง่นลยทถไปทบบ้านยี่สิบย่าที่ตลาดไปเฝ้าดยวยรออกมามันเป็นยังว่าเหม็นเถอะเหม็นรถรออกมาเจอแล้วับใส ปาเข้า ม, า ม, ม, า ม, ามันเสียมานเหม็นแทะก็เหม็นเนี่ยก็ําสายไงเยาโยคอหอยเลยมันทู่งออกบ่านร่างถ้าได้ก็เหม็น อ, อยู่ในปากเขาว่านนะเขาว่าเราลงหัวโยนเดียวกันทะเลลงห่วงบวกดาบกวกัเดี่ยวกันองคษาตเท่าามนําไปพวกนนเขาหูวดาบรีบก็เ ข, า, ข, ขาว่านรับเ สายใหข่ังหนึ่งมนุย์ทว่านนักเลยมันก็เขาห้วมกันบวกเดียวกันกับองข้าวาลทอพวกผู้หญิงก็เหมือนกันมันเป็นสองสายมันก็ออกนี่บ่วงของมันมจไม่มันก็เป็นสองสายลงไปนี่เกีนยงเกลียดนี่ผู้ชายเรือกันเนี่วันไหนร่างกายมันสวยเง้ามันเอาเียเง่ามก็บว เอสมสมุติพรอะไรบมันง่ามอีกหรือเ่กัดขี้โค้มากินได้บอกัดขี้ตามากินได้บอมื้อจบหูดังมาเรียรได้บอฮ่าออกมาแล้วเกินขึ้นกินเองได้บอเหยวออกมาแล้วกินทั้งในท้องเองได้บอ ขันออกจากหน้าหน้าจำเป็นยังกินได้เพียที่ออกมาแบบกินกิน้นกินอีกได้บ่เล็บตีนเขาตัดออกมาแล้วมันตกใส่ตัวปนตัวเ้า ม, ามันเขากินได้บ่ของเขาก็แค่ละน้ลายเขาม่ของเข า, าแค่ละทมอนเส่นนําห้องอ่ะกินอีกได้บ่นั่นมันชือจงจะได้อาพี่กันนะ่า ร่วมมืร่วมหมอายามันหระอเปล่าะาหาคาถาพี่แกหน้าร่างกายอย่างไรเป็นอารมณ์มืดเลนี่ยที่พี่แหน้าในวัตาสงสารเลยเหลือบางอย่งก็เป็นบนพ่อหน้ามืดเหลือไปไายนอกไผ่ในอย่งเห็นไหมใบไม่ร่วมุ่นมันก็นเป็นท่าปัะเทศสนามด เป็นี่จริงๆอาบานกับเป็นทาประเทศสนามเมื่นก็มีท่าทัดดินหน้าฝ้ายร่มอะอยู่ในโลกอะไนี่แล้วงกายเขาเหากับดินนาฝ้ายร่มก็สมกันด้วยที่สมุดเราเอ่าเขาเขาอย่านี้ก็ได้เนี่นี่ได้แหะนี่ยหวเนี่ยเียงมันมีแต่เ น, นวนเนเนเน่เนี่ยได้นวสวยและงามควบสวยความวว ง, งาม อั น, นล่อให้บรุษหลงเรียกว่าเจ้าแม่ปรลรมโล ก, กความสวยควนมามสวย ต, ตกกวยะกี้มีตัวล่อกับล่อเลือสวยหรืว่าสุนมืกอหีบบโค้งเเดียวนี่ยเ า, าตัดออกแล้วเนาะอ อ, ะอตกะก้อนหนีเนาะออ ม, มีตัวล่อเลือดสวยนะ ลงไปแล้วเออลงไปแล้วเออวะท่านนะลงไปแล้วลงไปแลว่าเขบขึ้นลงไปแล้วว่าเขาืึ้นนาที่ล้วงก็ล้วงโยมีเขาเว้นขึ้นอันนี้จังอะไรผลลัพธ์เป็นทุกข์กระทุกอย่ว่ามียเาเว้นขึ้นอันว่าเป็นศาสตร์่าเป็นบุพคพนตจริงยิงว่ามีกเาเว้นขึ้นผู้หลงกับหลงจริงยิ่งว่มีกเขาเว้นขึ้นอ๋อผู้ปฏิวัติเพื่ออุตเพผจริงยิ่งว่มียเขาแว้นขึ้นออ ผู้คนไปแล้วจิงยิบบุ้มีก็เว้นคลืนเอามันจิงไฟจิงมันอย่างนี้พวกเธอบุมมีบาวไม่บุญจิงยิบบุมีก็เว้นคื่นอว่างนี้สิดิ่งลงไปบุมมีก็เว้นคลืนไฟจะมาถอนออกได้พวกเธอว่าไม่บาวไม่บุญพวกเธอว่ามักคนยิ่พลานกับยิตกัดดิ้งลงไปไฟ่ะมาถอนออกได้เท่ากันว่านั่นถ้าของไฟของมัน นโลกมันเป็นข้อทิพมดไปทั้งซัวก like er ัทิบซัวจ well ับไฟกับหอ็เ oh ป็นข้อทิพคือนกันเวทกกัเป็นข้อทิพพ <m entre> ื้กันบ่หอนเวนอบยมุกทุกประเภทเป็นข้อทิพือกันอับัยมุกแปลว่าทิพหายเสื่งงานเสื่อปะาท่งไหนคัดของต่อชิ้นท่อมกับทังนั้นกเป็นอาบัยมุกทั้งนั้นทั้งไหนคัดของต่อก้อจะเล่ทังนั้นอันนั้นละคืออับายยมุก พอคลิปหายสึ่งหนาสึงปากเลยเดี๋ยวาอาบายยมุมุขามุกขาแปลว่าชิปหายยืสึ่งหนาสึงปากขี่ขันหมพี่จะหน้าอย่างมึนี่าอาบายยมุขึ้นกันผู้ที่ไปด้าหลังมูฮัก็มี คตัทั้งหลายจะมาเกิดเป็นมนุษย์คือหอกขมิ้นหัวหอกไปก้างกับต้องหูวหอกเกิดมาเป็นมนุษย์ก้อนกับกล้องไปคิ้ว้อนที่หัวหอกคือมาอยู่ขวงโลกเขาอย่างคือมาอยู่ขวงตักแตนแม่งมัดอย่างกัดเปียกใ้เขาจะมาเป็นมนุษย์อีกที่หูวหอกอือส้มขอสูมวันนี้ฟ้ากเขากเขาไม่เห็นไม่ใช่ในทองมหาสมุทรซีมหาสมุทรปวดร้อยปวดมหาสมุทรด สุมีมาทางหลังก็คือกันสุมไปแล้วก็คือกัน อ, องสั่ง้ปาว่าคือมูอปวมืหมดมันก็ป้ายตามแถวไปาวับอกคนผ่านก็กป้ายตามแถวไปเอาไว้วไเขาขสือพอเขาไรคือกันศาสนาเนะ่เขินมืดว่ดสือไว้ให้ในจาจู่จักแกล้งแจ้งสื่อไว้ให้ยอดจันจู่จักก็มืดวันเนี่นั่นะพูดเหร หรือเป็นของสนุกพูดพูดมาถึมาพอแล้วหลวงไอ้แล้วแานก็เป็นแ่ตับแล้วาบางงานพ่กขยับพักยับนี่พูดทารคนเจ้าสิ มีรัทธิว่าขลื่นขลังเท่ากันถินโยคือทอนใหม่ทอนฟืน้นอ้เจริญวตายังกายโยกายของเราเนี่หนอมัอติญญาณเสสติสิเดนนนเนื่อนแผ่นดินตุ๊ดโฉอปเปต๋ตาวิญญาณโอวิญญาณแบบปาดแล้วปาสิกาก็แล้วมีรัทธิว่าขลุ่นขลังเหมือนทอนใหม่ทอนฟืน้นทีนนะนออ่พันทิมโยผมเพืเ่อันว่บเพอผู้ฟังผู้เฝาข่าวไม่ว่นตอบโซโซโซโซ กระม้จอกม้นายดหรือม้สบานหมดแล้วกัดกันจอิงสามคืนเหม็นแหละสามคืนขึ้นขึ้นที่แหลมเหม็นแหลมแบบปวดเลหยิบซีโซมุกเราเน่าตะโพกมาก่อนของต่างจังหวัดตายมันก็เน่าแหละเน่าตะมาก่อนคือปลาตายน่ะว่าตายกับตงเน่าตะโพอมาก่อน นั่คือกนรบดหมดเก็บมือกันนำอย่างเหลีอยเลาะหน่อยสอดๆๆแล้วก็เทาเก็บครบไว้นานบ่ดีห้ามูซุ่มเก็บไว้น่ะห้ามตายอีกนี่เห็นอ่างไรน่ยว่าในเราคนเมันตายเพิ่มข้นมา เยอะสบไปแต่ไมมีนะครับคุตทการน ขนมันไม่มีเหย่อซีซ oui ัมงมวันนึ่งขึ้นหนึ่งกูจะทำคนเพียเท่าไรปวดบงได้หรบอกูจะภาวนาเท่าไรก็กวดบ้งได้หรอบอกูจะทำภาวนาส่วนตัวกูเท่าไรวันนึงขึ้นนึงหรือมีแต่งต่กอมแต่รับครับแต่นอนหือของมีแต่หมุกหาอยู่หากินหรือของมีแต่สอบสนุกวันนึงขึ้นหนึ่งกูจะทำเมเสียเวลาไปเท่าไรก็ปวดบ้างก็ขของใครของวันหรบอ มัออกจากดากแม่มาพ่อแห่เรากระเทมเงินเขาไปยอะมุ้ยจะมวนไปได้แล้วเออก็อยากแค้แม่นีเรียกงว่าม่้ยจมาเกิดในพันเลี่ยงอีกนะฮะตัวกัญญาพ่อโตพันกัญญาพ่อเพลินลูกใครกินอันไหนก็ได้ว่างให้ข้าปังึก็ได้ข่ายให้พ่อแม่ มาเฮ้ามานางภาวานาสูเมยนางยูไ่กับบ้าไรนอนพาวานาสูแมยนอนยูไฟก็บบ้แม่นอนยูไฟพญาย่าบ่อไห่รับเนี่ยขนไฝ่ทไมหัวข่ะสามมื่นี่มื่ผลจะไหนอนแม่นอนมื่ที่แดดมือเลือกข้นหัวผนบ่ห้นอนหลายมือผลผนจะไห้นอน น, อนกับนอนทางไฝ่ํา เขามยอนังีได้เนเลยหรอฮะเนเานอนผ้าวาน่ากับบัตทองเน่นอนขางไฟสับนนึงรับหลือตะปางเลยเออฮาพอพอพอพออยู่เขายางจมกลมสั่นคือบัรทอบัตทอพอไทหน้าเวียนงวเวียนควายในนึ่งผมก็มีแก่ไปซะเออ พามาหน้าคือสั่งฮะนางคือสั่แม่นางอย่ไฟกระโดดก้อนนั่นย้อนเดินกลสนแม่น่ะภาษาคุด ก, ก, ก็คุดเขียบว่ากระโดดก้อนนั่ะแบบว่แบบเฟือนมากอ่นึกถึงค hey, <H> e ุณพ่อคุณแม่น hey ี่เป็นเหตุให้มันเที่ยงในพระศาสนาเด้อนตาใร้สาระุุนดูดเสียเปียกเว้ยน้องมาท่านให้ให้พ่อให้แม่ กินปนันไรเอาใจลูกเจ้เนี่ยหลายก็พ่อกอ็แม่อือพระพุทธเจ้า ว, ว่าพ่อแม่เนี่เปรียบเ ห, หมือนกุญพรลหารเนี่ยสัสเขาเกิดมาพวกไรสัสเนีดเขากระ บ, บาบอกประมาทผ่าพลาแที่แก้วกันสาบเป็นนกแขกมากค่ะะโอ้เขาหาดาบม่ให้พ่อให้แม่กินไปเก็บเอาสุ่มมันโรนของชาวหน้ามาสาบเป็นเรงกนค่บอกม่ใ ห, มมให้พ่อพ่อพ่อพออ่พอแม่กิน ศาตเป็นพระอาณาประเทศเอ๋อพ่อเอเมริยุสั้นประเทศเอาแม่ิยุสั้นดาวนึงส่วนพ่อเน่ะเทศเขาสู้พนิพพานเลยอทุกศาสทุกภพภศพลวัลขุนหลวงพ่ อ, อแม่เปรียบเหมือนขุนพลทหารพลวัลเกิดมาสางคมดีนี้สงสารสงสารมันเปนสางคมดีเพื่อสยโยในโลกสางคมดีนี้สงสาร พันธุภาพลอยง่ายผู้โทษย่ีพานทำโมยย่พานแล้วก็ย่พานหี่นะผมขนเฟันเหนือเองกระดดเพื่อไปพนธุานมันเม่าถัดมพี่หน้ามันหลงมันหลงอโมนี่น่ะมันไ่ได้ไปพันธพภานที่พี่แกหน้าบอหมันหลงวันเอาเอาผมขนเฟันไป พรนิาพานนัพิ่น่าหัเบื่อหน่อยอันนี้จังทุกครั้งอาณาจกรากัน่ว่ามันจะเอาไปพรนิพานนําพิจยน่าของคว่บ่หมันบ่เทียงพี่น่าของทุกพิจาน่าอันบ่เป็นสารบ่เป็นบุคคลเพื่อให้มันค่ายคว่หลงจะของเพื่อี่เขาสู้พระนิพานมันจะเอาห้างกระดูกไปพระนิพานนั่มว่ามันจะเอาแกเก็บตายไปพระนิพานนัาพิจาน่า้มันเคหลับแต่ไมเห็นโทษนจะของมันจะของว่าพิ่น่าแล้วมันควางกายไปฆ่าขวงข้อนวางหมววงแล้วมันมือ เรียกงความง่ลงมาถาัดโตเรื่องงหมถากัดโตฝันพุ่เป็นติยูอีกลคิดท่นั่นเอากันิตตกลงสังกัลลอมลูกของเป็นตอยูมันฝันพุ่งเป็นติยูเนี่ยพคิดที่นี้นั่นม่เป็นที่เพิงของในเด้นี่ยมันเป็นที่เพิงของในตัวมันจะม่เป็นติยูหันนี่ยบาปนเป็นตัวยังไงบุญมันเป็นตัวยังไงเขาลงส่งงเชมาบอกได้ปลาตัวงีายนะมันเป็นบุญล้ายอ่ แดดเงินไลาไล่ไงแดดมีอะไรไล่ไงมันจะมันแด้บุญไล่มันสนุกนอนน้ำมันสั่นขันควาอมเห็นมันเป็ี่นทันทันเอ้าควยควมเห็นเปลียนทันทันรู้่ะเคะนี่มันมันมนยอมเปลี่ยนทันทีคะนี่มันมยอมเปลีนเพราะมันเป็นอย่างเพราะเล่าสร้างวัลลมมีแก้ความแล้วอย่างในนันนักมันมยอมเปลี่ยนที่ความมนึกซ่ําพราะมันลึปพงไปซํา ถ้าไม่รู้ก็เสียสิมันทําอะไรที่ฮาไนียมันเห็นอยู่แกมันก็เห็นอยู่เก็บมันก็เห็นอยู่ตายมันก็เห็นอยู่ฮะเนี่ยคูมือหมันโมเทียมมันก็เห็นอยู่เตรียมตามันอยู่มูไปสอนที่วันไหนฮัเนี่ยมันชวนพวกที่ตายไปแบบมือแปงแสงบ่ได้เอาอีหยังไปนั่มันก็เห็นอยู่จีว่าง่ายฮ่เนี่ยมันก็รอนใจบ่ได้ที่ฮะเนี่มันก็ไวใจบ่ได้ตัวเราหะเนี่มันเห็นเน่ย มันเสียมันยังเปไนท้งสันนมันกระดีทบๆบยกขึ้นเหวนี่ยะตัวมันมามันมันบ่พอจะเป็นเหวขั้นรุ่มเนี้ยรันย่ำในกระดีบผึงๆงูเสีมันี่เง้ยนจะกรปีพันปีจะเกิดตายคนละเที่ยงกันผู้ตายแล้วย่ำไปนเมา แต่ว่ามีเนี่ยไปนี่เนียก็ะมีตะบาก็บนทางเอาไปน้ำของพัดสรู้พันอกเอาไปน้ำบ่ไรมีหลายเอาไปบ่ไรมีน้อยเอาไปบ่ไรนั่นพระขัดคนณทางกระดูกมัดทิมไปในโลกเนี่ยแครงกันเนี่ยแค่งกันเกิดแครงกันแก่แครงกันเจ็บแครงกันตายแครงกันเป็นเลือดเป็นไผ่ตัวนี่พระอนีญเจ้าแครงกันออกนอกวัดตาทองสามคนมู่หองแครงกัน สร้องเงินสร้อยไข่ยู่เลยนี่มูอห่อพอมันยังหนาอยู่หางบ่ยังออมจะไขมันนาท้างถากดูเนี่ยอยู่ว่างเลยะบุญวัดสนาโตบ่มีเสิบ่เป็นสินออนค่อยมันแก่กเอาขัสนอนค่อยมันแก่กมันก็บ่เป็นที่อุ่นใจเท่าไงมันก็ต้องเฮ็ด้นทางใน้ำจาเือเขานางค่อยนอนค่อยมมนแก่กมันก็บ่แก่กะแล้วเเฮ็ดเอาคือเฮนางค่อยนอนค่อยมันอิ่มทองนูก็บ่หาจริงมันก็บ่อิ่ม แรดข้าบ้านยันยันยันยันวไปหาบินทบาทเนี่ยนังค่อยนั่งค่อยมันได้กินมึงโู้เรมันได้กินอันนั้คือการเสียกระสนถ้าในโลกมันดีถ้าไม่แก้มีแก่มีตายไม่มีทุกข์ไม่ยากนั่นใครจะยั่งยื้อหมดเนี่อันนี้ในวัฏจักรสานอันนี้ก็ออกนิ่งออกไร่ก บุกคนพูดคนพูดจากโลกไปมากก็ไม่เห็นแม่ไส้แม่ทองมหาสมุทรเลาก็ผู้นึงในจำพวกนั้นทังสีเ่สเล้เนียเนี่มาจากวาเราจำพวกที่ข้างโลกได้เดี๋ยวนี้เราก็จำพวกนึงเลาก็คนผู้นึงในจาพวกนั้นนับเขาลดวาั้งสี่เล่นนลนเนี่ยส่งข่าวนี้ในโลกในวัตาทรงสารนี่เกิดแก่เจ็บตายยในนี่นย่าหัวมันไรส์เล่าก็ค น, ก น, นผู้นึสัว์มากากายส่าเลยมันไปเอาไปจำมาจา ก, กวา โดกับบราลา ม, ม, ามาลี่มันสว่าอะีมันเจียบตื่นมาแหละมันกับบาว่าแล้วบอกขอนศัตรอรดว่าอดกูลงม่ทะเลาง่ามแก้เ่าประมาณถน่มี่เอายัางมาแก้มันมีตัวจมี่นีแก้ใครจะเป็นพระร์มาทะเลาะบอกขุนศัอรอรดเดี๋ยวหลังเคมาได้เกิดบ้านี่มัน เกิดมาเป็นตาเืีอมไซดแล้วมันละพ่อของวัซตะกิดินคุณปีนั่นกูย้อนปีนี่กูย้อนนี่กูได้น่อยซํานั่นกู้ย้อนซ้ำนี่กูนี่จื้อตะวันกูสักเดี๋ยวสาว่านี่เขเอาแต่นะท่านทุกไม่จะน่าหอดเสมอเนี่ยจื้ออยู่ในท้องว่าอะไรก็ไรโอ้โักเดี๋ยวสาก็ไลมากวงโลกไลมาหอดบนหาอยุปัจจุบันนี่ หรืออะไรถอยขึ้นไปหอดบนหอดบางรูโอ้ยพออย่างวสัตว์ชีรินคนอ่อนยอบไปเละน้ำตาเางายมือนีก็เห็นแต่แกแต่เก็บจะตายมือหนีก็เห็นแต่กินแต่ขีมืออึ้งก็เห็นแต่กินแต่ขี่ขึ้นกันท่านนี้อ่ะมือ่อมือนึงมือตึงหนึ่งขาวทวไปก็เห็นแต่กินแต่ขี่ข้เ่าล นันน่หลงนี่ม่เห็นตะแก้จะเก็บต่ตายคือทั้งนั้นเห็นจะกองทุกข์ทั้งนั้นยู่งไปตอนกเห็นจะกองทุกข์ขึ้นกันตายไปจะเห็นกองทุกขึ้นกันนะครับมันบบว่าหลดว่ามันหน้าว่เกิดเพราะบ่พี่ชนะมาว่าที่ว่าเกิดเพราะบสงบมันหน้าว่เกิดเพราะบ่พี่ชนะ กีลมตั้งยูเพาะบองคำนึงถึงศีลเป็นวะตั้งยูในใจมาตักศีลเราในใจศีลสามาที่ปัญญาอายุนํากันวันเดียวกันนั่นหละคือนังก็เหล่าก็กระดูกนี่แหละอาศัยกันอยู่นี่หละใจกัมกิเลสอาศัยกันอยู่ใจกัมธรรมอาศัยกันนี่นั่นะสัญญาณใดอาศัยธรรมะไรกิเลสก็ค่อยเบาบางไปสัาณใดอาศัยกิเลสไรธรรมะก็อัศฉไป ลูะหมูาอ่า thịt ย่างได้ยัเหอมมกหลายก็มืดเขาย่างได้หมวกหลายว่ันจาะอ๋อิดใจกับอันเดียวกันย่างใดกิเลสมาหลายก็วมืดหนาเขาย่างใดกิเลสถอยออกบ้าออก มันไหม้มันไา่จะคำว่าแล้วคอลั่มมันกะเดี๋ยวไก่จะตายมอ่ากเลี้กูกาเหตุต้องโค้งควายเน่ากว่าจะหมดหมดเหมีนยนลงแทบวันเดียวเฉยเพื่อนสกลละกายมันเปื่อยเน่าเข้ามาลวงหนังอะ่ แป้งแป้งลงหนังแป้งเอาห้างกระดูกพูนราซอนั่นพูนรา่านีพูนรามือพูนราแสนเดี๋ยวว่าส้มโคกกล้วยเนาของเากับเนาวเพวแห้งล่ะดี๋ยวไปเอาก่อนเปื่อยก่อนเน่ามาบริหารอีกแค่ น, นี้นหวดหนดเมียนรงแทบว้านเดียวกับมันตายร่องตายลง่ยลงแ่นดินลยตายรองแทบบนเปื่อยบ้านเนา่าอันเดียวกัน พวโรงพยาบาลก็เป็นธรรมเทศสนาขึ้นกันลนะ่ะพ่อข้างก็มีพ่อโอ้ยก็มีครบมดเอารอดเออมันธรรมเทศสนาคือกั น, นะนล่ะไปโรงพยาบาลกันหลายเอายูายสิกคือจังสีบ่อมีเข้าไปบางข้างบางข้าวที่โอ้ยเป็นตะับอยู่อร่อยพองนอนกวนโกกโกกนึกก็มีพ่อห่องนึกก็มีครบมืด ร่วมพยาบาลจังหวัดหรืออำเภอข อ, องเข า, าทัพมเทศนาเท่านั้นละ่ะตื่นขึ้นมาไปเห็นทัพมเทศนาลางออกจากเคราะห์รุๆๆๆง่งรุงรุ่งงอควายพวกสวนบกกากวากากว า, กวาผ้ากับผ้าบาดเขาไปเท้าขอเข า, ขาตื่นขึ้นมาหาจิ้มเป็นทั้นสว น, นอาหารละปารีทิที่ทุกทุกในการหาจิม้ม หือว่าทะมุลแล้วทุกทุกเพราะวิวาดเป็นมุนโตแย่งกันอย่า ง, งกลัวแพ่กวัสระดยใจคว่วมกันสาสธระ์ะเป็นทุกข์ปฏิวัติเพื่อพ้นทุกข์นี่เจียติน่าดีปฏิวัติเพื่อปัดใจเส้น ว่ามีอภพิธีหารปฏิบัติเพื่อให้เขาเหลือกใส่เพื่ออะไรกินเพื่อไะไรปัจจัยสสะดวกสะดวกอาพิธีหารบ่มีค<ม>ิดําคิดยอมจิด ย, ยังเห็นไฟในวารตาสงสารบ่พ่อเอในปาถนาจากักจั่งมันคิดใจมันเห็นไฟในวารตาสงสารพ่อโอ๊ย มันว่ไปแล้วฮะน่ะมดคือขาเต่านี่ดึงตบตบตบตบเนี่ยขันมเห็นภในวาตาลงสารมันก็ไปคับ่วาะจะบอกโกรธไงเขาอกก็ไม่เห็นพ่ในาตาุงสารครับมันว่าไปแล้วดึงมันไปแล้วก็ว่าไปมั้วก็ฟื้นตรวจเนี่ยบอกาสั่นอะไพ่ที่มาหลอกมาตัวมันไร่พแก่ไพเก็บไายตายมันแสดงให้เห็นว่ามีนกับเร่งคลื่นอะไพ่ป่วยไพ่เอา ชีออกดักเมนเท่าดังคนธรรมเทศนาเห็นบอกพระวกับพระวาบอกออกเก็บระสันเก็บท่อเก็บใส่เก็บองค์ขษาัตริย์กับปานั่นมุ่งเนี่ยมีแค่ธรรมเทศนาเท่านั้นล่ะกระทายกับกระทายบอกออกอืมฮะเทียกออกกดฮาเทียกมันบุกงบุ้งบุ้งบุ้งบุฟุงใช้แค่ห้ำที่ชี้ ประเทศลาถ้าประเทศชนาทั้งนั้นละ่ะมื้อนี้กินเขากินหน้ามื้อนีน่เีาจะผ่าใแพร่นี่มารุยใช้หุมเหม็นสาบเหม็นปุ๋ยนัานประเทศชนาทั้งนั้นละ่ะกินไปแต่าแขวอยู่กีมออกกีมออกกีมออกมาดมมันก็เหม็นผมกินมั้งนึกเห็นเขาไปยุ่งได้เห็นเหม็นเหรอเนี่ยก็เป็นทค่ประเทศชนาใช่กันะนี่ก็ได้นั ค่าแขวเป็นเสื่มเป็นเสื่มเป็นเสื่มนั่ย่มขึ้นปูวัดกระโปกพริกน่ะพริกลังเนื้อพลูกพูดยังนี่ทั้ประเทศสนามเ่านั้นถือเขียนนี่ ม, มันระเรนขึ้นเอาหรอใครจะเชื่อเป็นของสนุกกระตามตัวนี่ม ร, รับร่อง ต, ตัวก็คนีดถูกตัวกามันทุกน่ะทุกในโลกมาทอโ ต, โตใครจะถือว่าเล่า น, น, นี่ยมเป็นน่ะมิตรสนุกเล่าเอาสั่ ระซ้างกันไหนกันนียูออกไปห้องมันเออสะไม่ท่ายว่ะก็นันบังคับได้แค่นว่ะขี่นึ่งเงี้ยนึนบงบังคับได้ฝนตกเล่นกันบบังคับทุกโอลตนนาเป็นพวกมีทุกแล้วทุกคาเปเรตาเป็นพวกผู้มีทุกจาเป็นแล้ว อเปย์ันามมัตเเกวาาันตาูคันต้าชะอันทายชิดยิายาสังวัน ต, ตัวันควบปฏิวัติเพื่อผลทุกจักปากดแก่ผู้ขาทั้งหลายเยอไว้สัมตัวนะที่นี่ชนะนั่งกันยัง่ง ท, ทุกทุกที่นี่ชนนั่งลงเอเด ร, รัตวัเช่นะโมตุเตใชมั่งาลังชณะอื่นของเล่าไม่มีพระพุทธเจ้าพระเทมาเจ้าพระยาสเจ้าเป็นชณะงของข่าพระเจ้าเด็กกนก้าวซัดนี่ เขาคว่สวัสดีจ้ามีแจเราวันนี้นักทีนี่แต่ว่าพิเศษตัวก็มอว่านักทีพิเศษจ้ะสระอื้นอท้องเข้ามามิเพราะว่าไปถือผีปุ่นเมือนผมก็ไปนักทีมีแล้วเอาสั่งรกิจจัตน์นั่งกิติัวรัตนนัพมอทีตัมาสวทีพุทธเตยเรื่องกิจัตน์ในโลกนี่เสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมผสมมามิเ่น แล่วมันไปถือกี่เงินนะนาปนเงินเขาพูดมาท่าประสงนั่นมันก็กนกนาากมาถืออะไรกันน่อจับปาาสองมือรุ้มือว่าอะไรจะโตมือนึ่งมันประลุมือ่มันประคอ น, น่นอายุตาภาษามัน ขนมูเขามาเลยตบไปเป็ี่ยนซัดังสันน่ษฐานได้ยังสีตินบ้เป็นมนุษย์หรอเนี่ยขึ้นเบิร์นรู๊เนี่ยเติบเหอะสิได้มาเป็นมนุษย์อันนี้มันยังไข่รับจำพวกนี้เดี๋ยวมาอยู่ในวัดได้ว่าเนี่ยบรรดาลไม่ผู้เอามื่อไห้เนี่ยอยู่โั่ปู่ซ่ข้าวา่าบางทีตายเป็นเครื่องกันนะถือตาบ่าเพื่อใจเพื่ออะไรรักษาซอยอยันนีย ก้มตายใช่เลยรังมือสัดตัวใหญ่มาเห็นเอาไปกินจ้อยมีเสือมัอ่งเลยซัทั้งหลายอยู่มีซีเิตอยู่ด้วยพ่านอันตรายตัวผมรูในโคนในหูม้นกินกันผมยูในน้ามกินกันพวกนี้เนี่กกินกันเนี่ยพมีทั้งอาการกินกันเนี่ย มุกินทั to, ้งมารุกินทั้งรั์เจรสารมาุษเนี่ยมันแพร่เอาลายกินทั้งสรัพย์เรสารกินทั้งมารุดต้งกันกินตัวว่าไรกินเหงื่อกินแห้งอกไปว่าเมื่ซาดเนมันมีมีคาจมเร็ดเห็นบอกเห็มันมีคากรมี่เพราะมี่ซาดน่ยมันจังแสดงปฏิบัติเพราะกระทุกมันมีคาท้องยนจะว่าว่าเกิดอีกทำให้มีคาเม่อกิดแต่ว่าเกิดอีกเร ธรรมศาตรว่าสันนะเพราะไนเยินซื่อกับเบื่อแหละอุปมาคือว่ามึงอยากกินกินลาบีกไโปบอสันแต่พอได้กินกับเบื่อแหล้ี๋ยวบอของันว่าธรรมศาสตร์เอธรรมศาสตร์ระภพหรอ ใครผมว่าตายข้างงานไม่หรนี่เจ้พรอาญาเจ้าพ่อย่ารว่าตายข้างงันอนั้นกูก็ยามดกแล้วอันนี้กูก็ย่างมรแลวทั้งนั้นะพวกตายไปมาพระอาาเจ้าตายไปแล้วมันยงานมันเสีหลาอันนี้แล้วมัแล้วโกรกคล้นะมนแล้วเม่านถมา้องเที่ในวันตายงสารนีเกียว่าเล้งานนะตพระอาญาเจ้าลงมานี่ตายข้างงานทั้งนั้นแหละ ตายข้ากระสมะสนพระอริยเจ้าสั่พนพระอรหันปสมผส์แล้วพ่นสลามพุ่กระกเืมูแล้วกำลังพุ่กระกนเนืมูแล้ว